ไอ้สาธุชน 24 ธันวาคม 2500 สาดิเอกก็มาเริ่มบันทึก 2 ของ 5 สําหรับ ก็ขอแจ้งข่าวกุศลก่อนวันที่บรรดาท่านพุทธบริษัทให้ๆเกือบจนทั้งหลังข้างหลังสุดในเดือน ถูกต้องในคืนที่ 25 ธันวาคม 2551 ได้แจกเผาห่มเป็นงวดที่ 300 ผืน ได้อีก 300 ผืนนี้อาจ 600 ผืนจะ 25 ธันวาคม 2531 เป็นงวด 2 ก็ ที่อุทิศส่วนกุศลขอขอ ขอทุกท่านจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลปรารถนา ก็เป็นนิทานก็แล้วกันหิธุรีแปลมาจากที่ไกลเรื่อง รู้สึกอึดอัดมากเหมือนกันเพราะบอกสถาน <c oughs> รู้เรื่องน้ํามันมา 2518 แต่ 2524 ขอ ท่านก็ตอบว่าวาระที่ถึงนั้นก็คือๆนะบรรดา จะขึ้นมาอยู่ผิวดินหมดขึ้นมาอยู่ผิวดินหมดจะจับเอามาจะ ช่วยถ้ายังไม่เข้าใจนะคนอื่นแปลให้ๆกี่ ท่านก็ตอบมาทันทีว่าทองคํา อย่างนี้ไม่ใช่ทองคําธรรมชาติเป็นของมีเจ้าของถึงเป็นธรรมชาติแต่ก่อนต้อง แค่คนเอามือไปเขี่ยแล้วก็ได้มาได้วนัสลึงสองสลึง <c oughs> มันแต่เวลานี้ยังลึกถึงกับผิวดินมากมองไปว่าลึกสัก <c oughs> เมื่อพบแล้วก็พูดไม่ได้ถนัดที่ 2 การ 1 ถ้าพบแล้วถ้าคนอื่นเขาอยากจะไปพบถ้าบังเอิญนิทานไปตรงกับของจริงถ้านิทานไม่ตรงกับความจริงก็เป็นเรื่องความจริงของนิทานเหมือนกันนิทานเอา ในเมื่อมองไปดูทองคําเป็นที่ชอกใจ <c oughs> <c oughs> ที่เนี่ยทองคําส่วนย่อยเค้ามีอยู่ที่มีโหลนั้นหนักได้ประมาณตัน 2 ตันเนี่ยเค้ามีอยู่ซึ่งเป็นเป็นของของแต่ว่าท่านจะ หลานนั้นทั้งหลานเต็มไปด้วยทองคําก็ปรากฏว่าเป็นทองคําหลายเจ้าของถามด้วย ก็เป็นของพระยากาลบุรีที่ตอนนี้ได้ได้เข้ามาอีกตอนนี้เป็นของของวันทอก็ มีเป็นเรือชล้าบ้างเป็นเป็นตุ่มบ้างแถมในน้ําก็ยังมีอีกเป็นในน้ําอยู่เฉพาะในน้ํา แถวละจิตตรงนี้ 3 แถวแต่ 2513 เป็น 2512 ดี ก็มีคนคนหนึ่งเข้า 1, 1 ชั่วโมงหรือชั่วโมงเศษๆความร้อน ก็บอกก็บ่เจิมเป็นวิธีกรรมจะแก้ความร้อนได้หรือไม่ได้ก็ไม่ทราบเพราะนั่นไม่เกี่ยวกับขึ้นดลแต่การการเจิมจะมีผลเป็นประการใดก็ไม่ยอมรับเหมือนกันก็มาเจิมมามาเจิมก็เจิมให้ตามพิธีกรรมที่คนชอบก็ว่าแล้วตามเรื่องตามราวไผก็ ก็เจอเสร็จในๆมากเป็นๆซะมากซึ่งก็มี แต่บอกว่าเอาสงสาร ก็ปราวกก็เขาว่าไอ้ที่ตรงนี้น่ะเป็นที่ขโมยติดของขโมยมันขโมยของในวัด มันก็ย้ายไปฝากไว้ตรงนั้นแล้วหลวงเหลือเวลากลางคืนขโมยพวกนี้มันอาถรรพ์มากว่าได้ดึงใจจะอวดเลยไม่เป็นใจทายกจะอวดหรือทายกต้องยิ้มแย้ม <c oughs> ก็เลยบอกเจ้าของรถคุณเติมแล้วคุณ เขาบอกเขาก็ลงมือทำไม่เป็นไรเขาขอทํา ให้ดุษสารระดับความร้อนไว้ถ้าไม่สามารถพระเป็นที่น่าสยจันเขาไส <c oughs> ต้องบอกบุญบรรดาญาติโยมจริงๆตั้ง 2511 ถึง 2521 นี่เงิน 99.99% เป็นเงิน ไม่ญาติโยมอย่างไสกรุงเทพฯมาบอกท่านทางกระเป๋าท่านก็บริจาคไว้ต่างกำลังซึ่งก็ปรากฏว่าเงินพอแค่ชั่วโมงที่เค้าทำท่านมอบเงินให้เค้าเค้าก็แน่เหมือนกันเค้ารับเต็ม 100% 100% เหมือนกันนี่เค้าฉลาดมากถือว่าให้ก็รับเป็นพิธีกรรม แต่เชื่อๆได้ 100% ถือเป็น 100% ทั้งหมดจากๆกันเกี่ยวของ รายนี้ก็ซื้อมาใหม่เอี่ยมแต่ก็ใช้แล้ว ทำ 2 วันบ้างรายการนี้ที่ความร้อนเกิดขึ้นสูงก็ ก็ถามท่านท้าววาฬะธัมมบทท้าววาละบอกว่าผมให้ท่านวาหุนวาหุนเป็นผู้ควบคุมเขาว่าวาหุนเป็นเทวดาท้าววาหุนคือเทวดาองค์หนึ่งในชั้นจาตุมหาราชท้าวว่ากันตาม เรื่องความว่าเมื่อทําเสร็จพอทราบข่าวเสร็จๆก็ไม่ได้หาใครจะนึกจะพี่โบพี่ ก็เลยเอาก็กระดูกพี่วงครับบรรจุไว้ให้ชื่อว่าในวงสังสุวรรณที่รูปนั้นถามความจริงเป็นรูป เขาก็ มันจะติดกู <c oughs> 6 กิโลเค้าปั้นไว้มัน ไม่มีเขาก็เลยถ่ายภาพไปใครเค้าก็เลยถ่ายภาพ <c oughs> บุคคลที่มีความสําคัญอีกคนหนึ่งก็คือว่าท้าวนาคาท้าวนาคานี่คนนั้นหลายคิดว่าพญานาคบางคนมาที่ต้นโพธิมีถ้ําพญานาคหรือแต่ความจริงท่านท้าวนาคา พระนาคาธิบดีเทวดาชั้นจตุมหาราชเค้าตั้งสรรค์ไว้ให้ข้า เมื่อสมัยอาตมามาอยู่ใหม่ๆกําลังอยู่กระท่อมโคนต้น มาทําไมท่านนั้นบอกขัดพอถามว่าเป็นใครท่านต่อบอกกูถ้ามาทําไมถ้าบอกกูพอยืนยามเดินยามตรุดองค์การอันตรายเปียสิงโตคิดเห็นว่าเป็นคนในกลาง ไอ้สลอมบอกว่ามึงจะยิงกูเลยมึงหนึ่งจุดเล็กๆแล้วๆเพิงหมา สำหรับทางครูเล็กๆน้อยๆก็อยู่น้อยคนเป็นรังภงศ์สังฆสีตอน 2:00 องบันดึงจงกรมอาตมาเดินข้างล่างท่านก็บนเดินบนสังฆสีเดินไปถึงกับเดินตามไป ก็เสียงต่อลูกมาบ้างก็ท่านไม่เดินผมก็ไม่ๆไม่นักวันหนึ่งนอนหลับตั้ง 1 ทุ่มก็ ก็ลืมตาขึ้นมาถึงก็บอกว่าท่านให้นาคที่ ไม่สนใจกับคํา 24 นิ้วเป็นพระเก่ามากหลายร้อยปีไปเสนอ มาพูดกับหมอนนี้ก็พูดเป็นเฉพาะเทวดาชั้นจตุอาทราชหรือบันดาลเจ้าของทองทั้งหลายจะเป็นขุนแฝงก็ดีจะเป็นพริยากรจณบุรีก็ดี ทั้งหมดนี้จริงๆแล้วท่านเคยเป็นคนสําหรับท่านว่าคนก็ดีทนาคารก็ดี <c oughs> ก่อนที่เราจะตายเรามีหิริละอุตตัปปะสํานึกการในตอน มันเอาแน่นอนไม่ได้แต่ว่าเป็นการบังเอิญจริงๆ นึกถึงพระพุทธรูปหรือพระสงฆ์องค์ใด นี่แล้วบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านท่านฟังแล้วเรื่อง <c oughs> 30 วินาที ก็ต้อง